เรื่องที่11โลกหนอโลกขึ้นชื่อว่าความหลงไม่ว่าจะหลงในเรื่องอะไรก็ตามหลงป่าหลงทางหลงทิพย์หลงพวกจนกระทั่งหลงรักหลงโกรธหลงลมมันเป็นเรื่องทําลายความสงบใจทั้งสิ้นแต่ในบรรดาความหลงทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความหลงชนิดไหน ที่ทำลายความสงบใจได้มากเท่ากับความหลงโลกการปฏิบัติเพื่อความสงบใจในเรื่องนี้พระพุทธศาสนามีสูตรอยู่สูตรหนึ่งเรียกชื่อว่าโลกธรรมสูตรพระสูตรนี้มีความมุ่งหมายโดยตรงที่จะให้ศาสนิกชนรู้แนวปฏิบัติเพื่อความสงบและหลักปฏิบัติตามสูตรดังกล่าวนั้นที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักโลกตามเป็นจริง หมายความว่าเวลานี้เราได้เกิดมาอยู่ในโลกนี้แล้วเป็นการมาอยู่ในที่แปลกถินและมาโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวไม่เหมือนกับคนที่ไปต่างประเทศเช่นคนจะไปประเทศอังกฤษหรืออเมริกามีการเรียนพูดภาษาของคนประเทศนั้นไว้ก่อนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและลักษณะภูมิประเทศดินฟ้าอากาศไว้พอสมควร แล้วจึงไปแต่การที่เรามาอยู่ในโลกนี้เรามาอย่างที่ไม่ได้เตรียมตัวคือก่อนที่เราจะมาเกิดเราก็ไม่รู้ว่าจะมาเกิดที่นี่ในโลกนี้เขามีอะไรกันบ้างเราก็ไม่รู้ไม่รู้แม้กระทั่งว่าคนโลกนี้เขาพูดภาษาอะไรกันแต่เมื่อเกิดแล้วจึงเรียนเอาใหม่ข้อเสนอแนะของทางศาสนาจึงอยู่ที่ว่าให้เราศึกษาเรื่องโลกเสียบ้าง เมื่อรู้โลกตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะมีความสงบใจมากขึ้นและนั่นก็หมายถึงความสุขอันเป็นที่ปรารถนาของเราการรู้ตามความเป็นจริงที่ว่านี้คือรู้โลกแท้ๆไม่ใช่รู้โลกสมมติคือโลกที่เราอยู่เวลานี้มันก็ถูกสมมติหุ้มห่อไว้ตั้งหลายชั้นเขาสมมติว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นภาคกลางตรงนั้นเป็นภาคเหนือ ตรงโน้นเป็นภาคใต้และโน้นเป็นภาคอีสานและยังสมมุติซ้อนเข้าไปอีกว่าตรงนี้เป็นจังหวัดชื่อนี้ตรงนั้นเป็นจังหวัดชื่อนั้นแล้วก็สมมติทับลงไปเป็นอำเภอเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านถ้าเรามองดูโลกเห็นเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าติดสมมติที่เห็นนั้นไม่ใช่เห็นโลกแต่เห็นสมมติ ที่รู้นั้นก็ไม่ใช่รู้โลกแต่รู้สมมุติแล้วก็ถือสมมุติหนักสมมุติต่อไปท่านคิดดูหรือเปล่าวาถ้ามีใครโกยเอาดินหรือทรายหรือตักเอาน้ำจากแหล่งต่างๆเหล่านั้นมาตั้งไว้ที่กรุงเทพแยกเป็นอย่างอย่างแต่ไม่มีป้ายติดไว้ว่าเอามาจากที่ไหนดินและน้าเหล่านั้นมันจะบอกท่านหรือว่ามันเป็นดินอีสานหรือดินปากใต้ หรือน้ำภาคเหนือน้ำภาคกลางยิ่งถ้าเอาอากาศเอาไฟหรืออะไรอย่างหนึ่งก็ตามมาแสดงอย่างนั้นเราก็ยิ่งจะได้พบว่าเรานี้ได้แวกว่าอยู่ในทะเลแห่งสมมติโลกตลอดทั้งกลางวันกลางคืนหนบัดนี้ถ้าท่านต้องการความสงบใจก็ลองปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธศาสนาดูบ้าง คือวิธีรู้โลกตามความเป็นจริงแต่ก็ยังมีปัญหาว่าทำอย่างไรเล่าเราจึงจะเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกเรานี้ก็แปลกพูดแล้วก็เลยพูดเสียให้หมดเถอะยิ่งเข้าใกล้ ย, ยิ่งเห็นน้อยแทนที่ว่าใครเข้าใกล้คนนั้นจะเห็นมากก็เปล่าเอากันง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าใครคนหนึ่งอยากเห็นโลกนี้ให้มันกว้างใหญ่ จงก้มหน้าลงไปจนจดพื้นโลกแล้วเขาก็จงเห็นโลกเพียงเท่าใบหน้าของเขาเท่านั้นยิ่งถ้าขุดหลุมหรือบ่อลึกเข้าไปในพื้นโลกแล้วจะไปดูโลกในหลุมนั้นเขาก็จะเห็นโลกเพียงเท่าก้นหลุมเท่านั้นนี่แหละผมบอกว่ายิ่งเข้าใกล้ยิ่งเห็นน้อยคนที่ก้มหน้าลงดูโลกจนชิดพื้นโลกนั้น ถ้าหากเขายืดตัวขึ้นนั่งขึ้นให้ดวงตาของเขาห่างจากโลกพอสมควรเขาก็จะได้เห็นโลกกว้างขวางกว่าก่อนยิ่งถ้าเขาลุกยืนให้ดวงตาห่างออกจากโลกออกไปอีกเขาก็เห็นโลกกว้างกว่าตอนนั่งถ้าตัวเขาปีนขึ้นไปบนต้นไม้บนดาดฟ้าตึกบนภูเขาและบนเครื่องบินยิ่งตัวห่างขึ้นไปจากโลกเท่าไหร่ เขาก็จะเห็นโลกในลักษณะที่กว้างขวางใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีเพราะฉะนั้นเขาอาจตั้งสูตรขึ้นใช้ชั่วคราวก็ได้ว่าคนที่อยู่ต่ำมักจะเห็นโลกผิดเพี้ยนจากความจริงถ้ายกระดับตัวให้สูงจากโลกได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นโลกถูกต้องตามจริงมากเท่านั้นนั่นเป็นข้อเปรียบเทียบโดยการดูโลกภายนอก การดูโลกภายในก็ใช้วิธีคล้ายๆกันหลักเดียวกันคือคนเรายิ่งใจต่ำก็ยิ่งเห็นโลกแคบยิ่งใจต่ำมากก็ยิ่งแคบมากเมื่อเห็นโลกภายในขอบเขต จ, จากัดใจก็เลยแคบการแตกแยกกันเป็นก๊อกเป็นเหล่าก็เกิดขึ้นเพราะเมื่อใจต่ำมากเป็นคนโลกจำกัดก็ย่อมเต็มไปด้วยสิ่งขีดขวางเกิดอยู่ในประเทศเดียวกัน แต่ต่างถิ่นแค่แต่มีป่าขั้นมีแม่น้ำกว้างก็ถือเราถือเขาว่าเป็นคนละภาคคนละบางคนละพวกที่เห็นเป็นคนละพวกก็เพราะติดทุ่งหญ้าติดป่าไม้ติดแม่น้ำขอให้คิดดูก็แล้วกันว่าถ้าขนาดต้นหญ้าบังใจได้แล้วใจของผู้นั้นจะอยู่ในระดับต่ำกี่มากน้อยทำงานเพื่อประเทศชาติอันเดียวกันแท้ๆ แต่แต่งเครื่องแบบคนลสีพอให้หมายรู้แต่พอบางคนเห็นต่างสีก็แยกเป็นต่าง ก, ก๊กมีการเขมินสีกันมีการผิดสีกันนี่ก็ติดเพียงสีเท่านั้นไม่ใช่สิ่งกีดขวางใหญ่โตอะไรนับถือศาสนาเดียวกันบวชอุทิศพระศาสดาองค์เดียวกันชื่อพระศาสดาก็ชื่อเดียวกันถือวินัยก็เล่มเดียวกัน แต่ต่างวัดก็แยกวัดแยกนิกายแยกฝ่ายแยกนิกายแยกฝ่ายแยกพวกอันนี้ก็ติดกำแพงวัดเท่านั้นถ้าจะพูดให้ถึงโลกจริงๆกํากำแพงก็คืออิฐคือปูนผสมทรายนั่นเองเพราะฉะนั้นที่ว่าติดกำแพงก็ติดอิฐติดทรายถ้าลองหลับตานึกดูว่าถ้าวัดสองสมวัดอยู่ใกล้กันแล้วก็รื้อกำแพงทิ้งเสีย ก่อกำแพงใหม่ให้มันวงรอบสักสามวัดสีวัดมันก็จะเป็นวัดเดียวเท่านั้นทั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ผมยกมาเสนอประกอบข้อคิดที่ว่าคนเรายิ่งต่ำเท่าไหร่ก็ยิ่งแตกมากเท่านั้นและเมื่อแตกมากก็ยิ่งวุ่นวายมากเป็นอันเสียความสงบขาดทุนเปล่าๆทางสงบพระพุทธศาสนาสอนให้เราดึงใจขึ้นไปหาธรรมะ พระธรรมะทำให้คนใจสูงที่ท่านให้ยึดธรรมะก็เพื่อให้ใจสูงเมื่อใจสูงแล้วจะได้เห็นโลกตามเป็นจริงเห็นกว้างขวางเห็นทั่วถึงการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ไม่เลือกหน้าไม่ว่าเขาจะถือศาสนาใดเป็นลูกเป็นหลานใครพูดภาษาอะไรท่านให้แผ่เมตตาอย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขตจากัดคือ อนโนดิสะพระนาก็เพื่อความสงบนี่เองแต่คนที่จะทำได้อย่างนั้นก็ต้องใจสูงพ้นยอดหญ้าพ้นสีสันพ้นแม่น้ำลำคลองและพ้นกำแพงวัดคนเราถ้าใจสูงแล้วใจก็สงบเองตรงกันข้ามถ้ายิงใจต่ำเท่าไหร่ก็ยิงวุ่นวายมากเท่านั้นเหมือนคนที่ลงไปอยู่ใต้ก้นหลุมมันรู้สึกอึดอัด หนักเข้าก็ดิ้นพลาดพลาดเท่านั้นเว้นแต่หลุมนั้นจะกว้างพอสมควรคนที่ใจแคบมากก็มองเห็นแต่คนที่อยู่ใกล้ๆทําประโยชน์ได้วงแคบถ้าต้องปกครองคนหมู่มากมักจะไปไม่รอดเพราะเมื่อใจแคบเห็นแก่พักแก่พวกมากเท่าไหร่ก็เป็นทางก่อความไม่สงบมากเท่านั้นเข้าในลักษณะเป็นคนหลงโลกเพราะติดอยู่ในสมมติโลกจนเกินไป ถ้าลงคนหัวหน้าได้หลงโลกแล้วลูกแถวก็หลงทางเปรปะกันไปหมดเท่านั้นความไม่สงบของหมู่ชนมักจะเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ไม่ใช่น้อยด้วยเหตุนี้แหละการเลือกคนที่จะบรรจุในตำแหน่งสูงจึงจําเป็นต้องเลือกคนที่ไม่หลงโลกจนเกินไปคือเป็นคนใจกว้างพอที่จะทําประโยชน์แก่คนอื่นได้อย่างทั่วถึงอันที่จริงโลกเราทุกวันนี้ มันหลอกตาเราหลอกใจเราอยู่ที่ผิวของมันนี้เท่านั้นเรื่องนี้ผมเคยบรรยายไว้หลายครั้งแล้วโคมไฟหรือตะเกียงที่มีรูปร่างต่างๆกันและมีชื่อต่างๆกันเป็นตะเกียงลานตะเกียงรั้วตะเกียงฝาฉากตะเกียงเจ้าพายุและอื่นๆมันก็แตกต่างกันที่ส่วนโครงของตะเกียงเท่านั้น ส่วนไฟที่อยู่ในตะเกียงหาได้ต่างกันไหมตะเกียงตั้งหมื่นดวงก็ใช้ไฟอย่างเดียวกันหมูที่ยังเป็นตัวตัวเราเรียกมันว่าหมูดำหมูด่างหมูขาวแต่ถ้าขูดขนมันออกเสียทั้งหมดหมูทุกตัวจะไม่ใช่หมูดำด่างขาวเป็นเพียงหมูเฉยเฉยเท่านั้นจะเหลือบ้างก็แค่หมูเล็กหมูใหญ่แต่ถ้าเอาหมูเหล่านั้น ลงเจียวในกระทะแล้วก็ตักเอาน้ามันมาใส่ขวดไว้หมูเล็กหมูใหญ่ก็ไม่มีแล้วคงเป็นแต่น้ามันหมูเหมือนกันหมดถึงคนเรานี้ก็เหมือนกันคนผิวขาวผิวดำคนบางกอกคนบนนอกคนสวยคนขี้เรก็ว่ากันที่ผิวทั้งนั้นถ้าเอาคนเหล่านั้นมาลอกหนังออกสิแล้วเอานอนเรียงกันไว้ จ้างก็ไม่รู้ว่าใครขาวใครดำใครสวยใครไม่สวยคนบ้านนอกคนบางเกอกก็ไม่มีแล้วยิ่งถ้าเผาไฟเหลือแต่ขี้เถ้าความแตกต่างก็ยิ่งเหลือน้อยขี้เถ้าไทยขี้เถ้าเจ็กก็เหมือนเหมือนกันยิ่งถ้าดูกันให้ถึงจิตใจด้วยแล้วก็ยิ่งจะพบว่าใจของทุกคนเป็นท่าชนิดเดียวกันทั้งสิน้นคือวิญญาณธาตุดูโลก ให้เห็นตามเป็นจริงเสียอย่างนี้แล้วไม่รู้จะไปทะเลาะ ก, กับใครใจสงบสบายนี้คือทางสงบอีกสายหนึ่งซึ่งเราทุกคนพอจะเข้าถึงได้ในชีวิตอย่างสามัญเช่นของเรานี่เองและไม่ต้องลงทุนรอนอะไรเลยเพียงแต่ยืดตัวขึ้นให้สายตาอยู่สูงจากโลกสักหน่อยเพื่อให้เห็นโลกตามเป็นจริงเท่านั้นใจก็สงบได้บ้างแล้วคนใจสูง ย่อมสงบมากกว่าคนใจต่ำ